ตอนที่36กยังต้องเกลียดเขาอีกหรือไม่หลินเซินคุกเข่าข้างเดียวลงอกอุ้มร่างนางขึ้นมาพลางร้องเรียกเหยาเหยาเยาเหาเหยายเยหอบหายใจพลางลืมตาขึ้นเมื่อเห็นชัดว่าเป็นหลินเซินนางก็อดไม่ได้ที่จะด่าทอเขาออกมาคําหนึ่งทําไมท่านไม่รอให้ข้าตายก่อนแล้วค่อยมาเล่าเพราะเคยผ่านชาติก่อนมาเยาเยาจึงอดไม่ได้ที่จะพานกรดเขาแม้ในใจจะรู้ดีว่าการที่ตนถูกลักพาตัวในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขามากนักก็ตาม ลินเซินหาได้ยากที่จะไม่โกรธเคืองยังดาทท่าท่อคนได้ก็นับว่าดีแล้วเย่เยาจุบจนพูดไม่ออกนางชูมือทั้งสองข้างที่ถูกมัดขึ้นรีบแก้ให้ค่าขุยยาวตวัดวูบเดียวเชือกบนมือของเย่เยาก็ขาดสะบั้นร่วงลงพื้นทว่าเย่เยากลับสิ้นเรียลแรงร่างกายอ่อนปลกเปียกซบลงในอ้อมอกของเขากลิ่นหอมสะอาดรื่นรมสายหนึ่งชอยมาแตะจมูกหัวใจของลินเซิรนกระตุกกรูดหลุดปากถามออกไปทันทีวันนี้คนที่อยู่หน้าจวนอ๋องคือเจ้าใช่หรือไม่ เย่เ yeah, ยาวไม่ได้ตอบกลับสติของนางพราเลือนไปแล้วจึงไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรลิ้นเซินกึงโอบ ก, กึงอุ้มนางไว้มือทั้งสองข้างกำมัดแน่นจนสั่นสถานไปทั้งตัวกลิ่นหอมสะอาดรื่นรมนี้เองที่เขาจดจํามาตลอดสิบปีเป็นนางเป็นนางจริงๆหรือในสมองพันปรากฏภาพใบหน้าเล็กๆที่ดูอ่อนยาวและน่ารักขึ้นมา ตอนนั้นเขาลมหายใจรวยรินคิดว่าตนเองต้องตายแน่แล้วแต่นางกลับปรากฏตัวขึ้นราวกับเทพิดาพร้อมกับนำพากลิ่นหอมสะอาดรื่นรมติดตัวมาด้วยใบหน้ายาไวไว้นั้นงดงามราวกับสลักเซลาจากหยกแม้แต่ซุ้มเสียงก็ยังหวานใสและนุ่มนวล น, น่าฟังท่านเป็นอะไรไปหรือทาไมถึงมานอนหลับอยู่ริมลาธารเล่าเขาอ้าปากอยากจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา สายตาที่ทอดต่ำลงมองเห็นกระดิ่งลมประณีตอันหนึ่งผูกอยู่ที่เอวของนางเมื่อลมพัดผ่านเบาๆก็เกิดเสียงกระดิ่งใสกระจ่างสติสัมปชัญญะพร่าเลือนอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็สลบสลายไปสิ่งที่สลักลึกอยู่ในสมองเป็นอย่างสุดท้ายมีเพียงกลิ่นหอมสะอาดรื่นรมบนตัวนางและเสียงกระดิ่งอันสดใสนั้นเด็กหญิงตัวน้อยในตอนนั้นที่แท้ก็คือเย่เยาหรือลินเซนพันยกมือขึ้นหมายจะเอื้อมไปหานางแต่กลับชะงักค้างอยู่กลางอากาศ อย่างไรเสียชายหญิงมิควรใกล้ชิดหากทําเช่นนั้นก็เท่ากับเขาลูกเกียรดนางลินเซินกว่าสายตามองไปตามตัวนางครู่หนึ่งแต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความสับสนบนตัวนางไม่มีกระดิ่งลมเสียงกระดิ่งที่น่าจวนอ่องในวันนี้ก็ไม่ใช่ของนางแต่เหตุใดกลิ่นอายบนตัวนางถึงได้เหมือนกับในความทรงจําของเขาไม่มีผิดเพี้ยนราวกับคุ้นเคยกันมานานเช่นนี้ สีสักของเย่ยาวที่อยู่ในอ้อมอกเองซบลงบนแผงอกของเขาหลินเซินสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยรีบเอื้อมมือไปแตะหน้าผากนางพบว่ามันร้อนจั ด, ดราวกับไฟเจ้าเป็นแค่หรือสติของเย่ยาวเลือนรางนางฝืนตอบกลับไปข้าหนาวร่างกายเปียกโชกและถูกลมหนาวพัดใส่มาค่อนคืนยอดหญิงผู้สูงสักอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงที่เติบโตมาท่ามกลางความสุขสบายจะไม่อเจเป็นแค่ได้อย่างไร ข้างนอกฝนยังคงตกหนักลิงเซินอุ้มนางไปวางบนกองฟางแห้งถึงได้พบว่าทั้งเขาและนางต่างก็เปียกโชกไปทั้งตัวนางคงสวมเสื้อผ้าเปียกเปียกมาค่อนคืนแล้วถึงได้ขขึ้นสูงขนาดนี้ยามนี้นางขดตัวเป็นก้อนพางสันสถานไม่หยุดหักปล่อยให้ค่อสูงต่อไปจะอันตรายมากต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ลินเซินเติมฟืนในกองไฟให้แรงขึ้นนำเสื้อตัวนอกของตนเองขึ้นผ้าตะแกรงย่างเพื่อผิงให้แห้งก่อน จากนั้นเขาก็ฉีกม่านขาดขาดหลังองค์พระปติมามาบังกองฟางไว้แล้วจึงปลุกเย่เยาให้ตื่นภายใต้แสงไฟสลัวใบหน้าที่มีโครงร่างคมชัดของเขาดูประหม่าเล็กน้อยเขาข่มความร้อนรนและความสงสัยในใจไว้ก่อนจะเอ่ยปากเสียงต่ำเสื้อผ้าของเจ้าเปียกโชกสวนต่อไปไม่ได้แล้ววางใจเถิดเจ้าอยู่หลังม่านนี้ข้าจะไม่ล่วงเกินเจ้าแม้แต่ก้าวเดียวเย่เยาพยุมตัวลุกขึ้นนั่งจ้องมองหลินเซินโดยไม่ได้คิดนานนะัก ชาติก่อนกระทั่งลูกก็ยังเคยตั้งคันให้เขาแล้วความกังวลใจที่เหลืออยู่ของเย่เยาจึงมีไม่มากนักท่านออกไปเถิดสุดท้ายนางก็ยังประเมินตนเองสูงไปเย่เยายังคงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาาจึงหลบสายตาเขาลินเซอรรู้สึกเป็นห่งอยู่บ้างเจ้าคนเดียวไหวหรือไม่เย่เยากัดฟันไหวลินเซอรนิ่งเงียบแล้วเดินออกไปรอคอยอย่างอดทนในสมองยังคงหวนคิดถึงใบหน้าเมื่อสิบปีก่อนไม่หยุด นางเป็นบุตรสาวสายตรงของะกูลสูงสักด์ที่ลำค่าดั่งทองคาและยกทั้งยังอายุยังน้อยเพียงนั้นเหตุใดถึงไปปรากฏตัวในป่าเขาที่รกร้างเช่นนั้นได้แต่กลิ่นอายบนตัวนางกลับเหมือนกับเด็กหญิงคนนั้นไม่มีผิดเพี้ยนตกลงว่าคนที่เขาจดจํามาตลอดสิบปีใช่เย่ ย, ยาหรือไม่เย่เ ย, ยาวเองก็สับสนวุ่นวายใจไม่แพ้กันนางมองเห็นเงาของเขาที่สะท้อนอยู่บนม่านได้อย่างชัดเจนโครงร่างนั้นดูองอาจและคมชัด เรื่องราวในชาติก่อนหมุนวนอยู่ในหัวราวกับโคมไฟม้าหมุนโอกาสในการเกิดใหม่ที่ได้มาอย่างยากลําบากเดิมทีนางตั้งใจจะอยู่ห่างจากเขาให้ไกลที่สุดไม่ขอเกี่ยวข้องใดๆกับเขาอีกทว่าโชคชะตาราวกับจะบังคับให้พวกเขาต้องผูกพันกันพัวพันกันไม่จบสิน้นช่างเถิดเย่ยาวหลับตาลงค่อยๆเ อ, อ, อื้อมมือไปแก้สายรัดเอวไม่นานนักเสื้อผ้าที่เปียกโชกของเย่ยาวก็ถูกโยนออกมาจากหลังม่านทีละชิ้น หลินเซินเก็บเสื้อผ้าเหล่านั้นขึ้นมาจมูกขยับเล็กน้อยกลิ่นหอมนั้นจางลงไปมากแต่ก็ยังคล้ายคลึงกับในความทรงจำอย่างยิ่งเขาพลิกดูเสื้อผ้าทีละชิ้นแต่ก็ไม่พบร่องรอยของกระดิ่งลมเลยตกลงว่าเป็นนางหรือไม่ยามนี้เย่ยาวกำลังเป็นแค่หลินเซินไม่อยากคาดค้ น, นางในเวลานี้จึงข่มความสงสัยในใจลงอีกครั้งเขาสะบัดดินและฝุ่นออกจากเสื้อผ้าของนาง จากนั้นก็นําไปพาดไว้บนกองไฟอย่างใส่ใจโดยไม่ได้สนใจเสื้อผ้าของตนเองเลยเสื้อตัวนอกของเขาที่พาดไว้บนกองไฟแห้งแล้วหลิงเซินจึงโยนเข้าไปให้ข้างในเจ้าวสวมเสื้อของข้าไปก่อนชั่วคราวเย่เยาขดตัวอยู่ค่อยๆเอื้อมมือไปดึงเสื้อตัวนอกของเขามามันอุ่นจัดทั้งยังมีกลิ่นอายจากการผิงไฟผสมผสานกับกลิ่นหอมสะอาดของไม้ไผ่ยเย่เยาใบหน้าซี้เซียวขอบตาพลันร้อนเผาขึ้นมาทันที กลิ่นนี้คือนางคุ้นเคยเป็นที่สุดหลังจากแต่งเข้าจวนอองในชาติก่อนทุกที่ที่นางใช้ชีวิตอยู่ต่างก็อบอวนไปด้วยกลิ่นอายนี้น้ำตาหยดลงอย่างไร้เสียงหลินเซินที่อยู่นอกม่าไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากนางก็เริ่มกังวลว่านางจะสลบไปอีกเยาเยาเยาเย า, ยาข้าไม่เป็นไรเย่เยารีบเช็ดน้าตาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะสวมเสื้อตัวนอกของเขาลงบนตัวไออุ่นนั้นราวกับอ้อมกอดของเขาในชาติก่อน เพียงแต่ตอนนั้นอ้อมกอดของเขาร้อนแรงทว่าหัวใจกลับเย็นเยียบทว่ายามนี้เย่เยาหันไปมองเงาบนม่านเมื่อได้รับคําตอบจากเย่เยาหลินเซินก็ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วเริ่มวุ่นวายกับการผิงเสื้อผ้าต่อข้างนอกเสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะฝนตกหนักราวกับฟ้าร่วลมหนาวหอบเอาละอองน้ําพัดเข้ามาเป็นระลอกแต่ทั้งหมดล้วนถูกม่านกันเอาไว้ภายนอกจิตใจของเย่เยาดีขึ้นมาก นางมองดูเงาร่างที่ยุ่งวุ่นวายของลินเซินพาเหอลอยในชาตินี้เหตุใดเขาถึงไม่เหมือนเดิมเช่นนั้นนางยังต้องเกลียดเขาอีกหรือไม่ความสับสนจู่โจมเย่เยาอย่างไม่ทันตั้งตัวจนกระทั่งค่นคืนใกล้รุ่งสางฝนจึงค่อยๆซาลงและหยุดตกในที่สุดเย่ยเยาห่มเสื้อตัวนอกของเขาหลับประบนกองฟางตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่พิกแคยังคงไม่จางหายไป สวนหลินเซินไม่ได้ข่มตาหลับเลยทั้งคืนเขาเฝ้าอยู่หน้ากองไฟในหัวมีแต่ภาพเด็กหญิงตัวน้อยเมื่อสิบปีก่อนที่กำลังยิ้มให้เขาเขานั่งเหมือลอยอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเมื่อฟ้าเริ่มสางเย่เยากระถูกปลุกให้ตื่นด้วยกลิ่นหอมของอาหารท้องของนางส่งเสียงร้องคร่ำครากด้วยความหิวคำนวณดูแล้วนางไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งวันทั้งคืนกองไฟมอดลงล้าะเงาของหลินเซินปรากฏขึ้นที่ด้านนอกตื่นแล้วหรือเย่เยาขานรับอืม เสื้อผ้าแห้งหมดแล้วเจ้าเปลี่ยนแล้วออกมาเถิดชุดกระโปรงถูกโยนเข้าไปทีและชิ้นเย่ยาสบัด ส, สีสระที่หนักอึ้งเล็กน้อยฝืนเรียลแรงสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเมื่อเลิกม่านออกเย่ ย, ยาจึงเห็นว่าบนกองไฟมีไก่ป่า ย, ย่างตัวหนึ่งพาดอยู่ท้องของนางส่งเสียงร้องขึ้นใหม่สองครา